อีกาบทวิพัง628คําว่าภิกษุรูว้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกเมืองเดือนพึงแสวงหาจีวรคือผ้าบน้ําฝนได้อธิบายว่าภิกษุเข้าไปหาพวกชาวบ้านที่เคยถวายผ้าอาบน้ําฝนเพิ่งกล่าวอย่างนี้ว่าถึงเวลาผ้าอาบน้ําฝนแล้วถึงคราวผ้าอาบน้ําฝนแล้วพวกชาวบ้านแม้อื่นก็พากัน ถวายภาพน้ําฝนแต่ไม่ควรกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงถวายภาพน้ําฝนแก่ตมาจงนํำภาพน้ําฝนมาให้อตมาจงแลกเปลี่ยนภาพน้ําฝนมาให้ตมาจงซื้อภาพน้ําฝนมาให้อตมาคําว่ารู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกกึ่งเดือนพึงทํานุ่งได้คือเมื่อฤดูร้อนยังเหลืออยู่กึ่งเดือนพิสุพึงทํำภาพน้ําฝนนุ่งได้คําว่าถ้าร MM ู้ว่ายังไม่ถึง เดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนคือเมื่อฤดูร้อนยังเหลือเกินกว่าหนึ่งเดือนภิกษุแสวงหาภาพน้ําฝนต้องอาบัณณิสกียาภาจิตตีคําว่ารู้ว่ายังไม่ถึงกึ่งเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนคือเมื่อฤดูร้อนยังเหลือเกินกว่ากึ่งเดือนภิกษุทำผ้าอาบน้ําฝนนุ่งเป็นนิสกีคือเป็นของจําต้องสละแก่สงแก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงสลาภาพน้ำฝนที่เป็นนิสกีอย่างนี้